วันนี้เป็นวันเสารที่16พันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษังผู้ฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่ตนเองเพราะตอนนี้จิตใจของตัวเองนั้นยังวุ่นวายอยู่ยังวิตกวังยังกังวล ยังหวาดตัวยังเศรา้าโศกเสียใจยังมีความรู้สึกสหดหดตำคานใจ <c oughs> จึงจำเป็นที่จะต้องหาที่พึ่งทางใจเพื่อที่จะมารักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในความสบาย แต่สกปความมุ่นวายต่างๆที่พึ่งทางใจที่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี้มีประกอบขึ้นอยู่ด้วยกันสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าพระพุทธพระธรรมทั้งสอเป็นเจาคณะเป็นที่พึ่งของใจ คือพุธทธังธรรมังสังขังสระังกระานิส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอัตาโนนาโถตนพินเป็นที่พึ่งของตนการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้ได้อย่างสมบูรณ์นี้จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วน คือมีพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เป็นผู้คอยสอนคอยสั่งคอยบอกทางแล้วก็มีอัตตาหิอัตโนนาโอคือผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตางคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครปฏิบัติให้กับตนเองได้จนจนจึงต้องเป็นที่พึ่งของตน ต้องปฏิบัติเองส่วนที่พึ่งคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีใครสามารถทําหน้าที่ดีเท่ากับพระพุทธกรทำพระสงฆ์ในเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นพระไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง มีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสามพุทธเจ้าผู้ตัดสัุ้ธรรมโดยด้วยพระองค์เองแล้วหลังจากที่ได้ตัดสัุ้ธรรมได้สร้างที่พึ่งทางใจแล้วพระองค์ก็ทรงนาเอาพระธรรมคาสั่งคาสอน ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรุปมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะได้ได้ที่พึ่งทางใจพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเราจริงเอาจังอย่างสุบปฏิปันโนก็สามารถสร้างที่พึ่ง ทางใจให้เกิดขึ้นกับตนได้เป็นพระอรหันหตสาบของพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วก็มาเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังไม่มีที่พึ่งทางใจต่อไป<ม>อพระพระธรรมพระสงค์นี้จึงเป็นเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกัน ม, มีความรู้ที่จะบอกให้รู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่สนใจ ไม่มีใครนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างถูกจ้างได้อย่างถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. ถ้าไปศึกษากับผู้อื่ถ้าไม่ได้ศึกษากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่ได้พบกับที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริง นี่คือ่ง่งที่เป็นที่พึ่งข้อแรกส่วนแรกที่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ต้องการที่จะมีที่พึ่งทางใจรือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจาเป็นที่จะต้องมีพระพุทธพรธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นผู้สอนผู้บอกเป็นครูเป็นอาจารย์นี่คือความหมายของที่พึ่งที่เรายึด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 ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆดังนั้นถ้าเวลาที่เราไปศึกษาไปเรียนรู้วิชาอะไรต่างๆก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตราบใดที่วิชาความรู้ที่เราไปศึกษานั้น ไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถที่ไปเรียนรู้ได้สามารถมีครูอาจารย์ทางอื่นได้เช่นตอนเด็กเขาก็ส่งเราไปโรงเรียนเพื่อให้เราไปเรียนรู้วิชาภาษาและวิชาอื่นๆเราก็จะมีครูอาจารย์ที่ชำนาญในวิชาต่างๆมาสอนเรา รือวิชาเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นวิชาที่ขัดหลักขัดกับหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียนรู้ได้เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เราจำเป็นทีจ่จะต้องมีความรู้ทางโลกด้วยในการที่เราจะทรมาหากินเลี้ยงชีพของเราเราก็ต้องมีวิชาความรู้ในการทรมาหากินเลี้ยงชีพของเรา เองแต่ให้เรารู้ไว้ว่าวิชาความรู้ทางโลกวิชาที่เราเอามาเลี้ยงชีพของเรานี้มันเป็นวิชาที่ไม่สมบูรณ์สำหรับเราคือเป็นวิชาที่ไม่สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งทางใจได้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ เราจึางต้องเรียนวิชาทางธรรมด้วยเพราะวิชาทางธรรมนี้เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของที่พึ่งทางจิตใจส่วนวิชาทางโลกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่พึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับที่พึ่งทางร่างกายถ้าเรามีวิชาความรู้ทางโลกการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราก็จะสะดวกจะง่ายขึ้น ว่าผู้ที่ไม่มีวิชาทางโลกผู้ที่ไม่มีวิชาทางโลกหรือมีน้อยก็จะต้องทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความยากด้วยความลําบากแต่ผู้ที่มีความรู้ทางโลกมากมากกว่าก็จะสามารถทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สะดวกกว่าได้ง่ายกว่าดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า นอกจากพระพุทธพระธรพระสงฆ์ที่เรายึดเป็นศาละเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเราก็ยังสามารถที่จะมีครูบาอาจารย์ทางด้านทางด้านทางโลกได้เพราะเราก็ยังต้องมีหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเรานอกจากว่าถ้าเราต้องการที่จะ ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตของเรานี้ให้แก่การสร้างที่พึ่งทางใจถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเช่นถ้าเรามาบวชมาเข้าโรงเรียนพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปเรียนวิชาทางอื่นวิชาทางโลกทั้งหมดนี้ควรจะเก็บเอาไว้อยู่ข้างนอกอย่าเอาเข้ามาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนา มาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาสอนวิชาทางจิตใจเพื่อให้จิตใจได้มีที่พึ่งได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการเรียนวิชาทางโลกเพราะว่าวิชาทางธรรมนี้ สอนทั้งวิธีธรรมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยค mm. ือไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาทางโลกไม่ต้องไปเรียนระดับปริญญาตรีโดย เ, mm. เหมือนกับถ้าสงฆยุคนี้มักจะหลงทางกันนอกจากคิดว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทางโลกด้วยเพื่อจะได้ เอาความรู้ทางโลกมาสอนคนในโลกความจริงวิชาทางโลกนี้ไม่ได้เป็นวิชาที่พระควรจะเรียนพระควรจะเรียนวิชาทางธรรมเวลาสั่งสอนก็สั่งสอนธรรมไม่ได้สั่งสอนวิชาทางโลกนะครับธรรมนี้ก็เป็นวิชาที่เหนือกว่าโลก เพราะธรรมนี้รู้เรื่องของโลกดีกว่าวิชาทางโลกรู้เรื่องของโลกผู้ใดที่บรรลุรึกสำเร็จวิชาทางธรรมแล้วจะเป็นโลกาวิชูเป็นผู้รู้รู้วิชาทาั้งทางโลกและทางธรรมเป็นสามารถเป็นอาจารย์ ของมนุษย์และเทวดา ท, ทั้งหลายได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนวิชาท า, ทางโลกเพื่อที่จะได้เอาไปสั่งสอนคนในโลกเขา mm hmm. ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจควรจะเข้าใจว่าควรจะเรียนวิชาทางไหนกัน ถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอย่างชิ้ น, นเชิงและให้หมดไปอย่างรวดเร็วให้สิ้นไปในพบนี้ชาตินี้ก็ควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาวิชาทางธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปศึกษาวิชาทางโลก พราะวิชาทางโลกนี้เอามาดับความทุกข์ไม่ได้ต้องวิชาทางธรรมเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ได้ถ้าไปเรียนวิชาทางโลกก็จะหลงทางนอกจากว่าถ้าสําเร็จวิชาทางธรรมแล้วอาจจะต้องเรียนวิชาบางอย่าง ทางโลกเพื่อเอามาใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ธรรมอย่างนี้ก็ยังพอจะทำได้แต่ไม่ได้เอาเอาวิชาทางโลกเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจหรือมาดับความทุกข์ทางใจแต่อาจจะเอาวิชาทางโลกนี้มาช่วยในการเผยแพร่วิชาทางธรรมให้แก่ผู้อื่นไปได้อย่างกว้างขวา ง, วางอย่าง สมัยที่หลวงตาท่านเขียนหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระทธดดงกรรมฐาน mm hmm. ท่านก็ไปเรียนวิชาพิมพ์ดี mm hmm. เพื่อที่จะได้พิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการที่จะที่จะแสดงออกเพราะการพิมพ์นี้มันง่ายและสะดวกกว่าการที่จะต้องมานั่งเขียน ท่านก็เลยหัดพิมพ์ดีเรียนพิมพ์ดีแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้พิมพ์ดีนี้พิมพ์หนังสือที่ท่านต้องการที่จะเขียนได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ควรที่จะทำในช่วงที่ยังไม่ทำงานทางทางํทาให้สำเร็จรุ่งรุ่งไปช่วงที่ทำงานทางทางําให้สำเร็จรุ่วงไปนี้ ควจะทุ่มเทไปกับการศึกษาทางธรรมเพียงอย่างเดียวหลวงตาท่านจึงห้ามไม่ให้ใครเอาสื่อต่างๆเข้าไปในวัดสมัยก่อนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ก็ห้ามโทรศัพท์ในวัดก็ไม่มีแล้วก็ไม่ให้มีวิทยุโทรทัศน์ไม่ให้มีสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆเข้าไปในวัด วิชาความรู้ทางโลกนี้มันจะขวางการพัฒนาการทางวิชาทางธรรมได้จะสร้างเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์คือเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการที่จะเจริญธรรมเจริญสัมณธรรมคือจเจริญความสงบของใจใจต้องอยู่ห่างไกลาจากเรื่องรุ่นวายต่างๆของทางโลก ถ้ายังมัวไปห่วงเรื่องของของทางโลกว่ามีอะไรบ้างเกิดอะไรบ้างพอไปเรียนเข้าไปได้ยินได้ฟังเข้าแล้วก็จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความห่วงใ ย, ยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้วจะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ ถ้าจิตใจไม่สงบจิตใจก็จะไม่มีความสุขจิตใจก็จะไม่ดับความทุกข์ได้การจะดับความทุกข์ได้นี้ต้องทําใจให้สงบเท่านั้นถ้าใจไม่สงบแล้วก็แสดงว่าใจยังยังทุกข์อยู่ถ้าใจสงบแล้วอันนั้นแหละแสดงว่าใจไม่ทุกข์แล้ว <c oughs> นี่คือเรื่องของศาระที่พึ่งข้อแรก ส่วนแรกของการสร้างที่พึ่งทางใจต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจได้ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้เลยยกเว้นว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะเข้าสู่ การตัดสรุ้ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสอนคอยบอกวิธีสร้างที่พึงทางใจให้กับพระองค์พระองค์ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันแต่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถสร้างที่พึงทางใจแบบถาวรได้ สอนได้เพียงแต่วิธีสร้างที่เพื่องแบบชั่วก่าว mm hmm. คือการเจริญสตินั่งสมาธิเท่านั้น mm hmm. แต่ไม่มีใครรู้เรื่องของปัญญารู้เรื่องของอริยสัจจีรู้เรื่องของใจละจ mm hmm. ึงพระองค์จึงต้องเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูก mm hmm. จนในที่สุดก็ทรง ค้นพบวิธีที่ถูกต้องที่เรียกว่าทางสายกลางมัชทิมาปฏิปทา<ม>คือวิีทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์สมัยก่อนที่พระองค์จะทรงตัดทะลุพบทางสายกลางนี้ก็มีอยู่ทางอยู่สองสายในในการใช้ในการดับความทุกข์ใจทางหนึ่งก็คือ ทางแห่งการหากรรมมาสุขสว่างหากรามมาสุขหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธนิด ต, ต่างๆมาดับความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ก็ดับได้เป็นพักๆเป็นครั้งคราวบางทีก็ดับได้บางทีก็ดับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทุกข์ทางใจนี่มันรุนแรงมากน้อยเพียงไรเวลาเจอความทุกข์ทางใจนี้ ก็ไม่สามารถใช้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมาดับได้เลยถ้าดับได้มาอัศวิตรีก็ไม่ต้องมีความทุกข์ใจกันเพราะสามารถมีเงินมีทางซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้อย่างเป็นที่แต่ความสุขทางกามนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ อีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกฤาษีชีพัยก็คิดว่าวิธีการที่จะดับความทุกข์ทางใจต้องทรมานร่างกายให้ร่างกายพบกับความเจ็บปวดทรมารในรูปในรูปแบบต่างๆถ้าสามารถผ่านความทุกข์ทรมานความเจ็บทางร่างกายได้แล้วก็จะสามารถระงับดับความทุกข์ทางใจได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้พระพุทธเจ้าก็ทรงรองทั้งสองวิธีตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีปราสาทสามฤ ด, ดูมีความสุขทางกามมาคุณห้าอย่างสมบูรณ์มีรูปเสียงกยลิ่นรสผดท่าพะให้เสพให้สัมผัสได้ตลอดเวลานึกอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะกินอะไร สามารถทำได้หมดแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้เวลาคิดถึงคนแก่คิดถึงคนเจ็บคิดถึงคนตายคิดถึงว่าพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายทีไรความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาทุกครั้งไปจปทรงเห็นว่าถ้าอยู่ในวงังก็ไม่มีทางที่จะ ดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแน่นอนจึงตัดสินพระทยัยที่จะทรงออกบวชเพราะเห็นในตอนที่ออกไปเห็นเทวทูตสนอกจากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชและได้ยินว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะพบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากที่สุดเพราะวิธีการของนักบวชนี้ เป็นวิธีการที่เหนือกว่าวิธีการของค า, า, ารวะผู้คลองเรือน mm hmm. ก็เลยมีความปรารถนาที่จะอยากจะออกบวชก็ mm hmm. มุ่งไปไปบวชไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ mm hmm. ก็ได้เรียนรู้วิธีการดับทุกข์ mm hmm. ด้วยการรักษาศีล mm hmm. วิธีเข้าสมาธิทําใจให้สงบ mm hmm. ก็เป็นสองวิธีที่พวกนักบวชในสมัยนั้นรู้กัน ถ้าอยากจะดับทุกข์ก็อย่าทำบาปแล้วแล้วก็ให้เข้าสมาธิให้ทำใจให้สงบใจก็จะไม่มีความทุกข์ในขณะเข้าสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือนึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาความทุกข์ก็กลับคนมานะก็มี คนนักบวชบางคนก็คิดว่าวิธีของศีลของสมาธินี้ยังไม่พอเพียงจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีทรมารร่างกายต้องทำให้ร่างกายเจ็บเพราะเมื่อเราสามารถทนอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เราก็ต้องสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้แต่ ก, การทรมาน ร, ร่างกายก็ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ทางใจ เพราะการทรมานร่างกายไม่ได้ไปไปกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทางใจที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นเจ้าชายสิทสามาณโคดมก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจคืออะไรก็เลยลองทรมานร่างกายด้วยการไม่รับพระกยายหารอดพระกยายหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันก็เห็นว่า ความทุกข์ใจมันก็ยังไม่ดับนั่งกายถ้าทนถ้าอดต่อไปก็รับประกันได้ว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนพ่องก็ทรงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทางตันน่ะไม่ใช่ทางสู่การดับความทุกข์ของใจได้พ่องก็เลยส่งน้ำนึกถึงสมาธิว่าทางสมาธิทางแห่งการภาวนานี้น่าจะเป็นทางสู่การหลุดพ้นสู่ความทุกข์ ได้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเวลาจิตสงบในสมาธิความทุกข์ต่างๆก็หายไปพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยเลิอกอดพระกยอาหารแล้วก็กลับมารับประทานพระกยอาหารตามปกติจนพอมีเรี่ยวมีแรงที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาได้พระองค์ก็ส่งบาเพ็ญสมถะภาวนา แล้วก็ส่งใช้ปัญญาวิเคราะห์ค่อควรดูถึงเวลาช่วงที่อยู่ในสมาธิทำไมความทุกข์จึงไม่มีแล้วช่วงที่ออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ทรงเห็นว่า อ, อ๋อมันเกิดจากความอยากของใจนี้นั่นเองเวลาอยู่ในสมาธิใจไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ขึ้นมา ท, าทันทีก็ทรงเห็นว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากอยากไม่แก่ใช่ไหมอยากไม่เจ็บใช่ไหมอยากไม่ตายใช่ไหมเมื่อทรงเห็นอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงเห็นข้อสรุปว่ามันเกิดจากความอยากของใจนี่เกิดเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะยังอยากจะอยู่เพราะมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ามีการมัตตันหามีความอยากที่จะให้มีร่างกายอยู่ไปตลอดไม่ต้องการให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขต่างๆ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดปดตพะแต่ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวไม่สามารถตอบโจทย์คือดับความทุกข์ทางใจได้อย่างทาวร mm hmm. ก็เลยทรงเห็นว่าต้องละการาตัณหาความอยากเสรูปเสียงกลิ่นลดและละความอยากอย่างอื่นความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นรวมไปถึง อยากจะหาความสุขจากการเข้ารูปประชานและการเข้าอารูปประชานเพราะวิธีการเหล่านี้ก็เป็นวิธีไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรแต่กลับเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีความอยากเหล่านี้อยู่ mm hmm. ก็จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากต่างๆเหล่านี้อพ mm hmm. าะงก็เลยได้ข้อสรุปว่า การที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ต้องไม่ใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขไม่ต e ้องพึ่งรูปประชานหรืออรูปประชานเป็นเครื่องมือในการหาความสุขในการดับความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของตายลเป็นของชั่วคราวความสุขแบบชั่วคราวไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปมันก็ทําให้จิตใจทุกข์ขึ้นมาก็เลยได้ข้อสรุปว่าจําเป็นที่จะต้องตัดความอยากทั้งหมดเหล่านี้ไปให้ได้ไม่ให้ไปอยากกับรูปเสียงกิริลดพุทธะไม่ให้ไปอยากกับรูปประชานหรืออรูปประชานเมื่อตัดความอยากเหล่านี้หมดไปได้แล้ว ความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป <Yeah. S 2> ร่างกายจะอยู่ร่างกายจะไม่อยู่ uh huh. ร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้พึ่งร่างกายนะ uh huh. แล้วก็ส่งพิจารณาด้วยปัญญา uh huh. ก็เห็นว่าร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ uh huh. ที่มาประกอบเป็นอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนัง uh huh. เนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น uh huh. ที่ในวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปจะต้องเน่าเปื่อยไปกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำหนุไฟไปพระอก็เลยส่งกำจัดความทุกข์ต่างๆได้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาที่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากจาก อยากในกามอยากในอยากมีอยากเป็นอยากในรู ป, ปรชานอยากในอรู ป, ปรชาญเป็นต้นแล้ววิธีที่จะทำให้หยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็เห็นว่าความอยากเหล่านี้เป็นตัวการที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะสิ่งที่ความอยากต้องการมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีใครควบกคกุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงได้ ให้ให้ให้ดับความทุกข์ให้กับใจให้ความสุขกับใจได้<ม>ตลอด<ม>พ่อองค์ก็เลยทรงเ ห, <ม>เห็นเครื่องมือมรู้ว่าเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์กางใจนี้ก็คือการมีปัญญาและการสนับสนุนด้วยสมาธิ<ม>แล้วก็การจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นการสนับสนุน องค์อะไรส่งคนพบมรรคแปดมรรคที่มีองค์แปดที่เรียกว่ า, เ, าเป็นเครื่องดับทุกข์ของใจเป็นเครื่องที่จะละความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปจําเป็นที่จะต้องมีมรรคแปดมรรคแปก็ประกอบด้วยข้อหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิการมีความเห็นชอบหรือที่ถูกต้อง ข้อสองเรื่องสัมมาสังกโปการมีความคิดที่ถูกต้องหรือความคิดชอบข้อสามดูสัมมารกรรมันโตการกระทําที่ชอบหรือถูกต้องข้อสี่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องหรือชอบอข้อห้าสัมมาชีโว การเลี้ยงชีพที่ชอบหรือที่ถูกต้องก็หกคือการมีความเพียรขยันหมั่นเพียรชอบหรือถหรือถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายาโมข้อเจ็ดการมีสติคือการระลึกรู้ที่ถูกต้องหรือชอบอเรียกว่าสัมมาสติและข้อแปการตั้งมั่นของใจของจิต ท, ที่ถูกต้องหรือชอบ ก็คือสัมมาสมาธิตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองเพราะความสงบเท่านั้นที่จะระ ง, งับความทุกข์ต่างๆได้อันนี้คือมรรคที่พระเจ้าได้ส่งคนพบและส่งดำเนินมาด้วยพระองค์เองจนคนพบสาเหตุใหญ่ๆอยู่สอเหตุที่มาสร้างความทุกข์ทางใจนี้มีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆคือหนึ่งทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาป สองทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆอันนี้เรียกว่าสัมมาการมีความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นอย่างนี้เห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไร<ม>ทุกข์เกิดจากการกระทำบาป<ม>แล้วก็ทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ<ม>สามื่อรู้แล้วข้อที่สองคือนักข้อที่สองคือสัมมา สมาสังกปรุระความคิดที่ถูกต้องก็คือคิดที่จะละความอยากละละความอยากคิดที่จะละการกระทําบาปนั่นเอง <c oughs> ถ้าเรายังมีการกระทําบาปแล้ว เ, เราก็ยังจะมีความทุกข์ใจอยู่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ยังจะต้องมีความทุกข์ใจอยู่ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจเราก็ต้องละความอยากต่างๆให้ได้ละการกระทําบาปให้ได้เมื่อ <c oughs> เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีการกระทาวิธีละการกระทาบาปก็คือมีสัมมากรมมันโตมีการกระทาที่ถูกต้องมือการกระทาที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปนั่นเองก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีเพราะการการกระทาบาปก็คือการฆ่าสัตว์ลักลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี ถ้าไม่ต้องการที่จะทำบาป ก, ก็ต้องถือศีลกนะ็ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤตอิดประเพณีแล้วก็ละเว้นจากการพูดพูดปดอันนี้เป็นสัมมาวาจาวิธีที่จะพูดโดยที่ไม่ไม่ท่างความทุกข์ใจให้ก็คือต้องพูดความจริงอย่าไปพูดความไม่จริงอย่าไปพูดโกหก เพราะพูดก็หกแล้วจะทำให้ใจไม่สบายแล้วก็ต้องมีอาชีพที่ไม่ที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียอาชีพที่ไม่ผิดศีลนั่นเองคือสัมมาชีวะคืออย่าไปทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าควายต่างๆการฆ่าชีวิตของผู้อื่นแม้จะเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพก็าตาม ก, ก็ผิดเหมือนกัน อมนุษย์นี้มีความสามารถมากกว่าสัตว์ในราชานสัตว์ในราชานเขาอาจจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของเขาเพราะเขาไม่มีสติปัญญาที่จะไปทำอาชีพอื่นได้แต่มนุษย์นี้มีสติปัญญาสูงกว่าสามารถเลือกอาชีพที่ไม่ต้องไปทําบาปได้อันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็ อันนี้เป็นการกำจัดความทุกข์ทางใจด้วยการมีมีศีลมีอาชีพที่ที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแล้วก็มาเจริญมีมามามีความเพียรเจริญสติจเจริญสมาธิเพ่อดับความทุกข์ทางใจถ้ามีสติมีสมาธิก็จะทำให้ใจสงบได้ความทุกข์ก็จะหายไปได้ แล้วเวลาออกจากสมาธิมามก็ใช้สมาธิติสมาสังกโปมาสอนใจเวลาออกจากสมาธิมาก็อย่าอย่าไปอยากอย่าไปคิดอยากได้อะไรอย่าไปคิดอยากจะทําบาป<ม>ทุกครั้งที่คิดอยากก็ต้องหยุดมันให้ได้<ม>หยุดมันด้วยปัญญาที่เห็นว่าสิ่งต่างๆในเรื่อนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขได้อย่างแท้จริง อยากไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะจะไม่ได้ความสุขที่แท้จริงแต่กลับจะได้ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาคือจะได้ความทุกข์แทนที่จะได้ความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกขเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครครวบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองอันนี้แหละคือมรรคแ ที่พุทธเจ้าและพออาระอรหันต์ตาคกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงกันแล้วก็นำาอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกในรูปแบบต่างๆบางครั้งก็แสดงพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ทรงแสดงมรรคที่เป็นทางสู่การดับทุกข์คือมรรคแปดบางครั้งก็ทรงแสดงโดยยอบส่วนลงเช่นสมมากรรมโต สัมมาวาจาสัมมาชีโวนี้ก็อยู่ภายในในเรื่องของศีลก็ทรงแสดงศีลไปให้รักษาศีลส่วนในเรื่องของสมาธิก็สอนเรื่องเจริญสติสอนให้นั่งสมาธิด้วยการเข้าฌานต่างๆให้ใจสงบก็เรียกว่าสมาธิให้ฝึกสมาธิและเรื่องของปัญญาก็ให้ฝึก ให้สอนให้เห็นใจรักษณ์ให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากทุกเกิดจากการกระทําบาปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทําบาปอย่าไปอยากอย่าไปทําตามความอยากต่างๆทุกข์ก็จะไม่เกิดอันนี้ก็เป็นมรรคเหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาและบางครั้งก็ทรงแสดงทานศีลภาวนาว่าเป็นทางสู่การดับทุกข์เช่นเดียวกัน ทานศีลภาวนาก็คือก็เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาศีลก็คือศีลในศีลสมาธิปัญญาภาวนาก็มีสองระดับด้วยกันสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธินั่นเองทำใจให้สงบวิปัสนาภาวนาก็คือการทําใจให้ฉลาด ก็คือขั้นก็คือปัญญานี่งั้นทานศีลภาวนาก็คือศีลสมาธิปัญญาบวกด้วยทานแล้วทำไมต้องสอนให้ทำทานด้วยอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังใช้เงินทองไปในการดับความทุกข์ทางใจว่าการใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆนี้ ไม่ใช่เป็นทางที่นําไปสู่การดับความทุกข์ทางใจได้ให้เอาเงินที่ไปหาความสุขทางรูปเสียงกินน่นรสนี้มาดับความทุกข์ทางใจด้วยการทําบุญทําทานถ้าเอาเงินทองที่มีอยู่นี้เอามาทมําบุญทําทานพอไม่มีเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มก็จะหายไป อันนี้สําหรับผู้เวลาสอนคารวะผู้ครองเรือนที่ยังใช้เงินทองในการดับความทุกข์อยู่เพราะยังอาศัยวิธีดับความทุกข์ด้วยการ ม, มาสุขอยู่ก็สอนให้เปลี่ยนวิธีอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองซื้อกามมาสุขให้ดับความทุกข์ด้วยด้วยการทําบุญทําทานแทนเวลาทําบุญทําทานใจก็จะเกิดความสุขเกิดจากเกิความอิ่มขึ้นมา แล้วก็ความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนี้ต่างๆก็จะระงาบลงไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดเวลาที่ไม่ได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันนี้ก็เป็นมรรคเหมือนกันเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นมรรคยังมีสามลักษณะโดยลักษณะใหญ่ๆมรรคที่มีองค์แปด ที่เป็นมัชิมาปฏิปทามักที่มีองค์สามคือศีลสมาธิปัญญาและมักที่มีองค์สามคือทางศีลภาวนามักแปดกับศีล ส, สมาธิปัญญาที่เราเรียกว่าตจสึกษานี้ไว้สำหรับนักบวชเพะนักบวชเขาเลอกใช้เงินในการที่จะมาดับความทุกข์ทางใจแล้ว เขาไม่เขารู้ว่าการใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจไนดะ้เขาก็เลยสละเงินทองทั้งหมดที่เขามีอยู่ไปเพื่อที่เขาจะได้ไปบวชได้เพราะถ้ายังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ก็ยังต้องคอยคอยต้องหาคอยต้องใช้อยู่ก็จะไม่มีเวลามากพอที่จะไปปฏิบัติ ทานศีลอาศีลภาวนาหร้อศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อย mm hmm. ต้องตัดเรื่องเงินทองไปให้ได้อย่าไปพึ่งเงินทอง mm hmm. ถ้าไม่ไปพึ่งเงินทองแล้วก็ไม่ต้องไปทำหมากินหาเงินหาทอง mm hmm. ไม่ต้องเอาเงินทองนี่หามาได้ไปกินไปเที่ยวไปดื่มมันก็จะวนอยู่ในอา่าง mm hmm. หาเงินเพื่อใช้เงินใช้เงินหมดก็ต้องหาเงินใหม่ ก็จะไม่มีความไม่มีเวลาที่จะมารักษาสิมาหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติภาวนาได้ mm hmm. ถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจก็ต้องเลิกเกี่ยวข้องกับเงินทอง mm hmm. ถ้าเลิกเกี่ยวข้องกับเงินทองได้ไม่ต้องพึ่งเงินทอง mm hmm. ก็สามารถไปบวชได้ mm hmm. เพราะนักบวชไม่ต้องใช้เงินทองมีสา ม, มาอาชีวะ ด, ด้วยการบินธบด้วยการขอทานบินธบขอทาน กินตามมีตามเกิดอยู่ตามมีตามเกิดไม่มีบ้านอยู่ไม่มีกุฏิอยู่ไม่เป็นไรอยู่ตามเงื่อผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนล่างอยู่ตามโคนไม้สร้างเพลิงหลบแดดหลบฝนด้วยใบไม้ด้วยกิ่งไม้ก็พออยู่ได้ที่อยู่อาศัยของนักบวชผ้าถ้าไม่มีเงินซื้อผ้ามาก็ไปเก็บผ้าสมัยก่อนเขาเก็บผ้าในป่าช้าผ้าออกศพ ที่เรียกว่าผ้าบางสกุลสมัยก่อนเขาไม่เผาศพไม่ฝังศพเพราะมันเป็นการทําลายธรรมชาติอย่างแล้วก็เป็นการเสียเวลาสู้ปล่อยให้ร่างกายมันเน่าเปื่อยของมันไปเองดีกว่าไม่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปขุดหลุมฝังศพไม่ต้องไปหาที่ฝังที่เผาให้เสียเวลาเผาก็ต้องไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆมาเผาเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าไม่กี่วันมันก็เน่าเน่ า, เ, นาเปื่อยผุพังไปในที่สุด เขาก็เพียงแต่เอาผ้าหอ่อศพหอหอศพไว้แล้วก็ไปทิ้งในป่าช้าพวกนักบวชเวลาที่จะต้องการตัดเย็บจีวนรนุ่งห่มก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในป่าชานี้แทนนั mm ่นเองเั้นเป็นการเป็นนักบวชนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองเพื่อ mm hmm. เพื่อหาเพื่อซื้อปัจจัยสี่ mm hmm. อาหารก็ไปบินธบาต mm hmm. ขอทานแล้วแต่ความเมตตาของผู้ที่จะให้ mm hmm. แล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ชอบอยู่ในป่าอยู่แล้วชอบอยู่ในที่ไกลจากหมู่บ้านไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครอยากจะอยู่ที่สงบสงบัดวิเวกเท่านั้นเองก็จะไปไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ Donc, ตามป่าตามเขาก็พอมีที่อยู่ได้บ้างตามถ้ำบ้างตามเนื้อผาบ้างตามหรือไม่เช่นนั้นก็เอาไม้เอาใบไม้มามุงมา ทำเป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอผ้าก็เก็บจากผ้าในป่าผ้าในป่าในป่าช้าผ้าบางสกุลยาก็ใช้ยาดองน้ําปัสสาวะนี่น้ำมูดเอาพวกสมออะไรในผลไม้บางชนิดที่สามารถเอามาดองทําเป็นยาได้แล้วก็น้ําดองก็ใช้น้ําปัสสาวะนี่แล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เด่นน้ำํำยาดองน้ํามูดน้ำเน่าเนี่ย ก็พอที่จะรักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้ถ้าเป็นโรคที่ยังรักษาได้อยู่แต่ถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็ต้องใช้ธรรมโอสถคือใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสอนใจให้สงบสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกขเวทนาของร่างกายอย่าไปทุกขกับมันเมื่อเมื่อห้ามมันไม่ได้กำจัดมันไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปทั้งนั้น ถ้าอยู่กับมันได้ก็ไม่ทุกข์กับมันก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็คือถ้าเป็นนักบวชแล้วพระอาจ้าก็เลยไม่ต้องสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาปไปเลยให้รักษาศีลสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสมาชิวมีคือศีลอาชีพของพระก็คืออาชีพบิณฑบาตนี่สัมมาชีวแล้วก็ ให้เจริญสตินั่งสมาธิด้วยสัมมาวายามุด้วยความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องของนั่งบวชก็คือเพียรเจริญสติเพียรนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้ใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆให้ได้พอเมื่อใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ใจจะมีพลังมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังไม่มีฌานยังไม่มีอุเบกขานี้ จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงแม้จะมีสมาทิฐิมีปัญญารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากแต่ถ้าไม่มีโอเบขาจะสู้ความอยากไม่ได้จึงจำเป็นต้องเจริญสติเจริญสมาธิก่อนก็ให้จิตสงบให้จิตมีโอเบขาพอจิตมีโอเบขามีกาลังก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าความอยากหนึ่ง าการกระทำบาปหนึ่งนี้เป็นเหตุของความทุกข์ เ, ออเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถหยุดมันได้ ท, ทันทีหรือเวลาเกิดคิดจะทําบาปก็จะหยุดมันได้ทันทีออถ้ามีครบองค์มีศีลมีสมาธิมีปัญญาออความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถเปรากฏขึ้นมาในใจไนดะ้ออความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องมีก็ต้องหมดสิ้นไปออตามลําดับ แห่งการกำลังปฏิบัติของของผู้ปฏิบัติอันนี้ก็มามาม า, มาถึงองค์ประกอบสาระที่พึ่งที่สองของใจก็คืออัตตาหิอัตโนนาเถเมื่อได้ศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถึงวิธีการที่จะดับความทุกข์ทางใจ ก็ต้องผู้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจผู้ที่ต้องการจะมีที่พึ่งทางใจก็จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาให้เรียนรู้วิธีการของการดับความทุกข์ว่าดับอย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องเจริญศีลต้องเจริญสมาธิต้องเจริญปัญญา ก็นำเอาไปปฏิบัติการที่จ ะ, จะเจริญศีลเพื่อให้นำจิตเข้าสู่ความสงบด้านนี้จาเป็นต้องเป็นศีลระดับที่สูงกว่าศีลห้าศีลห้า น, นี้เป็นศีลพื้นฐานแต่ไม่มีกำลังมากพอเท่ากับศีลศีลแปดศีลสิบนืน 8, น 10, อศีลสองรอยีิบเจ็ดข้ อ, อ ก็เลยต้องสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญสมาธิและปัญญาตามลำดับต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องรักษาสิ้นแปดขึ้นไปก่อนรักษาสิ้นแปดให้ได้ถ้ายังรักษาสิ้นแปดไม่ได้มันก็ยังมีข้อช่องโหว่ให้ความอยากไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นถ้าถือถือเพียงสีลนห้าก็ยังกินข้าวเย็ยนได้ ยังหาความสุขจากกินอาหารเย็นได้อยู่หรือกินอาหารกี่มื้อก็ได้อยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้เพราะสินห้ามไม่ห้าจะกินเวลาห้ามื้อก็ได้ไม่มีสินไม่ผิดสินใจ่อย่างใดแต่มันเป็นการส่งเสริมความอยากให้มีกำลังมากขึ้นไม่ใช่ให้น้อยลงไปยิ่งกินยิ่ ง, ย, งยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งกินร่างกายยิ่งกลายเป็นตุ่มกลายเป็นไม่ใช่เป็นขวดกลายเป็นตุ่มไป เพราะ่องพรความอยากกินนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต้องใช้ศิลถึงจะถึงจะหยุดเรื่องปัญหาของโรคอ้วนได้ไม่ต้องไปเสียเงินไปจ่ายฟิตเนสให้มันเสียเวลาไม่ต้องไปหายาชนิดต่างๆมากินเพื่อลดความอ้วนลดความอ้วนในการถือสินสินแปดนี้ทั้งนองอยากกินหลังจากเช้าวันกินวันละมือ้อสองมื้อก็พอ รับประกรันได้ไม่มีไม่มีโรคอ้วนปรากฏในประเทศไทยอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเสียเวลากับการหายาหาหมอหาอะไรต่างๆไปสุดฟิสเนอรไปสุดวิธีการต่างๆมันเป็นเรื่องของกิเลหลอกเราท่านหลอกให้เราคิดว่าเราลดเราลดน้ำหนักได้แต่ความจริงมีใครลดน้ำหนักได้การลดได้ก็ต้องไม่กินนั้ว น, นั่นไงใช้หลักเหตุผล ง, ง่ายๆร่างกายมันมันอ้วนเพราะอะไรเพราะกินไม่ใช่หรอ ถ้าไม่กินมันจะอ้วนได้ไหม <Okay. S 1> ดูพระเจ้าสิอดข้าว49วันนี้อ้วนไหม <Okay. S 1> ไม่มีวันอ้วนอ่ะถ้าอดข้าวแต่ <Okay. S 1> ถ้ากินกินทุกวันวันละสี่ห้าครั้งนี้ต่อให้ไปออกวิ่งฟิตเนสไปทำอะไรต่างๆกินยาลดความอ้วนมันก็ไม่มันก็ไม่ลดหรอกแล้วดีไม่ดียาก็มันเป็นตัวปัญหามาสร้างโรคภัยอย่างอื่นตามมาอีกด้วย <Okay. S 1> อันนั้นนี่คือ คือเรื่องของศีลศีลแปดนี้มีไว้สกัดความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากก็ร่วมหลับนอนกับแฟนก็ก็สกัดได้คนที่กลัวจะตั้งท้องนี่ก็อย่านอนกับแฟนแล้วประกันได้ไม่มีวันท้องที่มันท้องก็เพราะไม่นอนรุ่มกันมันก็เลยท้องท้องแล้วก็มีปัญหาขึ้นมามีปัญหาทำแท้งแล้วไม่ทาแท้งดี ถ้าลูกออกมาก็มีปัญหาเลี้ยงลูกอย่างไรเลี้ยงไหวหรือไม่ไหวมีปัญหาร้อยแปดตามมาทันทีถ้าไม่รักษาศินแปดถ้ารักษาศินแปดได้ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะท้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีลูกไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปทําแท้งหรือไม่ทําแท้งอันนี้มนุษย์เราไม่ศึกษาธรรมะ ก, กันเลยไม่รู้ต้นเหตุของปัญหาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตรงไหน ก็เห็นของมนุษย์ก็คือการไม่มีศีลธรรมนี่ที่เป็นตัวสร้างปัญหาต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้วุ่นวายกันไปเป็นเป็นเรื่องเปราวกันไม่รู้จักจบจักสึ้นเพราะไม่มีศีลธรรมเท่านั้นเองถ้ามีศีลธรรมรับรับประกันได้ปัญหาต่างๆที่โลกมีกันอยู่นี้จะหายไปหมดสงครามก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่มีมีแต่คนที่ตั้งอยู่ในในความ เมตตาต่อกันและกั น, นเมตตาําจุนโลกศีลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมีเมตตาผู้ที่มีความเมตตาย่อมไม่เบียดเบียนผู้ไม่ไม่ทำร้ายผู้ไม่ทํำลายผู้แต่เพราะโลกเราขาดศีลและขาดความเมตตากันโลกเราจึงวุ่นวายกันแก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบแก้กันมาต้องกี่ยุค ก, กี่สมัยแล้วแก้มันกันมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้า เดินมาถึงยุคเรานี้ก็แก้กันอยู่งนี้พวกเราตายไปแล้วก็ลูกหลานก็ต้องมาแก้ปัญหาอยู่ดีเพราะปัญหามันอยู่ที่การไม่มีศีลไม่มีธรรมเท่านั้นเองถ้ามีศีลมีธรรมมีความเมตตาต่อกันแล้วปัญหาในโลกนี้มันจะไม่มีเลยโลกเรานี้มีสมบูรณ์มีอาหารมีอะไรทุกอย่างพร้อมเพียงที่จะแบ่งกันกินได้อย่างสบายแต่ความโลภเนี่ยความอยากเนี่ยอยากจะมีมากๆอย่าง จะได้มากๆอยากอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นโตอยากจะเก่งกับคนอื่นอยากจะรวยกับคนอื่ น, นีมันเป็นตัวที่มาสร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นมาเพราะไม่มีศีลลธรรมเังนั้นต้องมาฝึกศีลกันอย่างน้อยเราก็จะมาดับความทุกข์ของเราได้ถ้าเราไม่ไปดับความทุกข์ทางโลกถ้าเราถือศีลได้เราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้เราจะไม่ไป ไปรักทรัพของผู้เราจะไม่ไปห่าพูดจะไม่ไปประพฤติผิดประเพณีเราจะไม่พูดโกโกหกหลอกลวงไม่ดื่มชุรายาเมาและสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงเพียง <c oughs> แต่ถ้ารักษาศีลห้าได้สังคมก็อยู่กันอย่างผาสุกแล้วยิ่งถ้าถือศีลแปดได้ยิง่งยิ่งดีอย่า ย, ยิ่งถ้าถือศีลแปดได้ปัญหาก็จะลดลงไปอีก ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริโภคมากเกินไปตามความอยากก็จะไม่มีถ้ากินอาหารวันละมือ้อสองมือ้อรับประกานโรคอ้วนต่างๆก็ไม่มีโรคที่ตามมาคือเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีอะไรต่างๆมันเกิดจากความโลคความอยากกินทั้งนั้นแหละที่เป็นตัวปัญหาทำให้มีโรคภัยต่างๆตามมา แต่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้มารักษาสินแตนี้เพื่อมาป้องกันโรคภยัยอันนี้เป็นผลคลอยได้ผลที่เราต้องการก็คือมันสกัดความอยากความอยากหาความสุขทางตางหูจมูกนิ้นกายถ้าเราไม่สกัดมันมันก็จะพาเราอยากไปเรื่อยๆ อ, อยากเราถ้าเราไม่ได้ทําตามความอยากเราก็จะทุกข์ทรมานใจเราก็ต้องเล่นทําตามความอยากไปเรื่อยๆทำทำเท่าไหร่ก็ไม่ถึงความอิ่มความพอสักที ตายไปใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็ยังจะลื่นกลับมาเกิดใหม่กรลัมาหาสิ่งต่างๆที่อยากได้อยากจะมาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ <S <S แล้ ว, ลวการรักษาศีลแปดนี้ก็จะทําให้เราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ห้ามได้ไม่ไม่ได้หมายถึงทําลายมันให้มันหมดไป <S 1> <S 1> เพียงแต่ห้ามมันปลามันไม่ให้มันทำเวลาเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะไม่ไป ไปไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปร้องรำทําเพลงอะไรต่างๆไม่ไปหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรหรือด้วยเครื่องสํามาชนิดต่างๆนิสัญญกรรมสมัยนี้มีสัญญกรรมเพิ่มขึ้นไหมวิธีสร้างความสวยงามของร่างกายมันก็จะทําให้เรามีเวลามีเวลาที่เราจะได้เอามาจเจริญสัมมาวายาโม ความเพียรชอบเพียรละเลิกสติมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะนั่งสมาธิให้ใจสงบถ้าเรามีเวลาและถ้าเราถือศีลแปดได้เราจะมีเวลามากเพราะเราไม่รู้มันไม่มีอะไรให้เราทําดูหนังก็ดูไม่ได้ฟังเพลงก็ฟังไม่ได้ไปเที่ยวไปคุยกันไปกินไปดื่มอะไรกันก็ไม่ได้ต้องกินงั้นต้องดื่มตามเวลาไปริ่มหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ นอนมากเกินไปก็ไม่ได้เวลานอนก็ให้นอนบนฟูกไม่ให้นอนบนฟูกให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากเพราะมันไม่สบายถ้ามันสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีหาะหาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินี้เพราะการจะเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้ผลอย่า ง, อ ย, างอย่างแน่นอนนี้จาเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสติหนึงตาขึ้นมาก็ต้องพุทธโทพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆแล้วก็เวลาไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งสมาธิหลับตาจะพุทธโทต่อก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ไม่ต้องพุทธเข้าโทออกก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ เพราะสำคัญก็คือคอยสกัดความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้มันคิดปรุงแต่งไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอเข้าสู่ความสงบความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็หายไปเวลาใจสงบใจจึงมีความสุขความทุกข์ไม่มีเพราะเพราะว่าความอยากทํางานไม่ได้อันนี้เป็นการหยุดความอยากแบบชั่วคราวความอยากยังไม่ไม่ไม่ตายด้วยกาลังของสมาธิ สมาธิเป็นเหมือนหินเห็นทับหญ้าเวลาเห็นไปทับหญ้านี่หญ้าไม่ตายเพียงแต่ว่าหญ้าหญ้าโผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกยกหินออกจากหญ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอได้น้ําได้แดดมันก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันไม่ตายดันได้เวลาเข้าสมาธิรากของกิลเลสมันไม่ตายคือโมหะความหลงมันไม่ตายพอจากสมาธิมาโมหะความหลงก็เกิดขึ้นมาใหม่ ของหลวงว่ารูปเสียงกินลดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีก็จะเกิดความอยากเสรรูปเสียงกินลดขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ถ้าอยากจะกําจัดความอยากาให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดจากเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากเป็นตัวที่ทําให้เราทุกขนะ์เนาะพอเกิดความอยากปั๊บความสงบความนิ่งของใจก็จะหายไป ความกระกระตือรือร้นความกระวลกระวายก็จะปรากฏขึ้นแล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากก็ทําให้เสียใจเศร้าใจหรือถ้าอยากอยากแล้วได้สิ่งที่อยากมาสิ่งที่อยากมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันหมดไปจากไปพอมันหมดไปจากไปก็ทําให้เราทุกข์อีกต้องใช้ปัญญามองหเห็นว่าการทําตามความอยากแล้วมันนําไปสู่ความทุกข์ใจไม่ได้มนําไปสู่การความสุข ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากใหม่แล้วพอไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมานี่คือปัญญาต้องเห็นอานิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไปเห็นนารยสัจว่าเวลาเกิดความเกิดความอยากที่ลายใจเรา ที่เคยสงบจากสมาธิก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีให้เห็นแบบนี้แล้วก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ผู้ที่จะปฏิบัตินี้ต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถคนอื่นปฏิบัติแทนเราไม่ได้พระพุพะทธธรรมสงฆ์นีป้ปฏิบัติให้กับเราไม่ได้พระพุพะทธธรรมสงฆ์ท่านมีหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านก็คือสอนวิธีดับทุกข์ให้กับเรา แต่ผู้ที่จะดับความทุกนี้ต้องเป็นเราเราต้องเป็นผู้ดับเองไม่มีใครมันดับความทุกของใครได้ความทุกของแต่ละคนนี้ของใครของมันตัวใครตัวมันช่วยช่วยเหลือกันไม่ได้เรื่องของการปฏิบัติต้องปฏิบัติกันเองด้วยอัตตาฮิอัตโนนาโถถ้ามีที่พึ่งทั้งสองอย่างสมบูรณ์มีพระพุทธเจทำพระสงฆ์คอยสอนคอยบอกวิธีดับทุก น่ามีอัตตาหิอัตโนนาโถก็มีความเพียรขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรับประกันได้ว่าไม่เจ็ดวันเจ็ดเดือนและ7เจ็ดปีทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็ต้องหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนนี่แหละคือความสำคัญของการมีที่พึ่งทางใจที่ชาวพุทธเราควรจะที่จะแสวงหากันจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วพอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สอนวิธีแล้วเราก็มีอัตตาหิอัตโนโนถวะนําเอาไปปฏิบัติด้วยสุ ป, ปฏิปันโน ด, ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาวิมุตติคือการสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรรยะถาวาลววาหาปุราปริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินางเปตานางอุปกปะติอิชิตตังปะทิตังตุนหงังคิดเมนวาสนิจตสัเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ 阿าโยัธาสัพิติโยวิวาชันตุสัพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตายยสุขีทีฆายุโกภวาอภิวาทนศิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธมวะทันติอายุวโนสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 407ทาง YouTube พระสุชาติไลฟ์323 YouTube ดร v 60ครับ h o u s ์6วิทยุออนไลน์8ผู้รับฟังหน้ากุติ167รวม971ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย คำถามจากคำถามาฝากถามจากผู้รับฟังนักกุดเจ้าคะ่ะความอยากในรูปฌานและอรูปฌานคืออะไรคะอยากเข้าสมาธิไงถ้าเราถ้าเราอยู่ขั้นที่เหนือกว่าที่เราต้องใช้สมาธิแล้วเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นสมาธิก็เป็นเหมือนบันไดพอเราเดินขึ้นถึงชั้นที่เราต้องการขึ้นไปแล้วก็อย่าติดอยู่บนบันได ถ้ายังติดบันไดอยู่ก็จะไปไม่ถึงชั้นที่เราต้องการจะไปเพนั้นธรรมะนี้มีหลายชั้นด้วยกันชั้นต้นนี้ยังต้องใช้สมาธิอยู่ต้องอาศัยสมาธิแต่พอขึ้นไปชั้นสูงแล้วทีนี้สมาธิก็ไม่จําเป็นแล้วก็ต้องก็ต้องละสมาธิไปพไม่งั้นก็ยังจะไปถึงนิพพานไม่ได้ต้องเปลี่ยนสมาธิให้เป็นนิพพานไป คำถามจาก Facebook เจ้าคะ่ะคุณอานัตเจ้าคะ่ะกราบขอโอกาสครับนั่งสมาธิก่อนนอนเรื่อยๆจิตไม่ยอมรวมสักทีผมต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะดี <ไป S 1> ครับต้องไปบวช ง, <c oughs> งานบวชก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเลยแล้วนั่งแค่วันละนิดวันละหน่อยเข้าไปได้ไง คำถามจากคุณจรัญญาเจ้าค่ะเมื่อเราไม่เผลอปล่อยใจคิดเรื่องราวเรื่อยเปื่อยรู้สึกสบายดีเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและควรปฏิบัติต่อไปใหมเจ้าคะมันก็จะได้เท่าที่เราได้อยู่ตอนนี้แล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจเราก็จะไม่สามารถดับมันได้เล้วต้องปฏิบัติมากกว่านี้ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากกว่านี้คำถามจากคุณนัทเจ้าค่ะ ถ้าโยมอยากให้ลูกร่วมทําบุญด้วยโดยเอาเงินของโยมให้ลูกหนึ่งรอยบาทแต่ให้ลูกเอาเงินค่าขนมของเขาหนึ่งรอยบาทนี้มาร่วมทําบุญแบบนี้ลูกจะได้บุญหนึ่งรอบาทจากการทําหรือว่าเขาจะได้บุญในส่วนของการร่วมอนุโมทนาเจ้าคะ่ะคือบุญนี้จะเกิด จ, จากความสมัครใจของผู้กระทำํำแล้วก็ต้องเป็นเงินของเขาเอง แต่เขามีเงินแล้วเขาบอกแม่พรุ่งนี้แม่พาหนูไปใส่บาตรให้หน่อยอย่างนี้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราให้เงินเขาแล้วบอกว่าหนูเอาเงินนี้ไปใส่บาตรนะเขาไม่ได้บุญเขาเป็นเพียงแต่คนรับใช้เราใช่ไแต่ก็เป็นวิธีการสอนลูกไปพังพก่อนเวลาเราใส่บาตรทำบุญเราก็พาเขาไปร่วมด้วยให้เขาฝึกไว้ให้เขารู้วิธีการต่างๆแล้วก็เขาก็จะได้รับความรู้สึกจากการที่ ได้ทําบุญด้วยแตยังเป็นส่วนน้อยมันไม่เท่ากับบุญบุญของเขาเองเพราะแม่ควรจะฝึกลูกไปก่อนแล้วต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาจะจําได้ว่าอตอนสมัยเด็กๆพ่อแม่พาเราไปสั่บานเห็นพ่อแม่มีความสุขเราก็สุขกับเขาไปด้วยก็ต่อไปก็อยากจะทําเองขึ้นมาฉะันจะจะเป็นบุญของเราได้นี่ต้องเป็นเป็นเงินของเราเองแล้วเป็นความตั้งใจความปรารถนาของเราที่อยากจะทําบุญ อนนันไปคําถามจากคุณชมพู่เจ้าค่ะการที่เราฝึกทําใจให้สงบนั้นจะช่วยให้เราตัดภพตัดชาติได้ไหมเจ้าคะ ก, ก็ตัดให้มันน้อยลงแล้วก็ให้มันอยู่ในภพที่ดีได้แต่ยังไม่สามารถกําจัดได้อย่างสิ้นเชิงคําถามจากคุณจิตกรเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ตอนนี้ผมรักษาศีลห้ามาครกปีแล้วจะฝึกเอานิสัยพระโสดาบันกราบขอแนวทางจากพระอาจารย์ด้วยครับเอานิสัยของโสดาบันฝึกไม่ได้หรอกลงละสังโยชน์สามถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องละความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายตัวเราเป็นตัวเราของเราต้องมองให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นทุ๊กตาตัวหนึ่งเราเป็นคนที่ได้รับทุ๊กตาตัวนี้มาจากพ่อแม่ของเรา เราคือดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้คิดที่รับร่างกายนี้มาแล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปทำอะไรต่างๆแต่วันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรารัอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นโสดาบันได้คําถามจากทาง youtube ดรวีเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะ บุญหรือกรรมอะไรที่เราต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่และญาติเจ้าคะก็บุญที่พาให้เรามาเกิดเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ญาติเมื่อเกิดแล้วเราก็เป็นหนี้เขาจะใช้ของฟรีๆได้ไงโลกนี้ไม่มีของฟรีหรอกเขาให้เรามาเราก็ต้องคืนเขาถึงเวลาเราก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายของเรานี่มีราคาคุณค่ายิ่งกับเงินทองทั้งหมดในโลกนี้ถ้ามีใครเข้าเอาเงินล้านมาแลกกับร่างกายของเราเราจะเอาไหอ นั่นแหละบุญคุณของพ่อแม่มีมากขนาดไหนะมากยิ่งกว่าเงินทองเป็ น, นเป็นล้านร้อยล้านพันล้านงั้นอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่เมื่อเราเกิดแล้วเราก็ต้องมีผู้ที่เขามีพระคุณกับเราที่เราควรที่จะนำนึกถึงและตอบแทนบุญคุณของเขาไม่ว่าต้องมีความกตัญญูกตวเวทีถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแม้แต่สัตว์เนราฉามันก็ยังมีความกตัญญูกตวเวทีมันรู้จักผู้ที่เลี้ยงดูมัน ถ้าไม่ถ้าไม่มีความกาตัญญูนี่ก็ยิ่งเล ว, เวยิ่งกว่าเดรัจฉานเลยจะถือว่าตนเองเป็นคนดีไม่ได้คำถามจาก YouTube พระสุชาติเจ้าค่ะพระพิสุงสงฆ์สา ม, มเณรและผู้ถือศีลห้าถือศีลแปดท่านเหล่านี้มีการสูบบุหรี่เสพกัญชาเสพยาฝิ่นจะถือว่าผิดศีลข้อห้าหรือเปล่าครับและถ้าเป็นพระเนนจะขาดจากการเป็นพระหรือไม่ครับ ไม่หรอถ้าถ้าเป็นบุหรีนี่ไม่ไม่ผิดสิงไม่ไม่มีข้อห้ามไม่ให้สูบบุหรี่หมากครูบุหรีนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามสามารถสูบบุหรีได้สามารถกินหมากได้แต่อย่างอื่นไม่ได้ยาเสพติดนี้ไม่ได้ยาเสพติดสุรายาเมานี้เป็นของมึนเมาเสพไม่ได้เสพก็ก็อยู่ก็เป็นบาปแต่ไม่ถึงขั้นที่จะปาราชิกเกิดไม่ถึงขั้นที่จะต้องลาสิกขาไปเพียงแต่ต้องถูก ถูกตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนถ้าตักเตือนแล้วยังทําอยู่เรื่อยๆก็อาจจะถูกจับศึกไปเพราะแสะดงว่าเป็นคนที่ดื้อไม่สนไม่ได้มาบวชเพื่อมาศึกษาเรื่มเรียนก็ไม่รู้จะบวชไปทําไมศึกไปดีกว่าคําถามจะคุณเขมจุทาเจ้าค่ะการสวดมนต์ไหว้พระจําเป็นจะต้องจุดธูปใหม่เจ้าคะไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยสวดมนองก็ส่วดมนจุดธูปว่าจุดธูป โยงกัไว้ทําไมเสดิมวลนี้สวดได้ทุกแห่งถ้าส่วนในใจนย่าห้องน้ำก็สวดได้ถ้าเราส่วนมวลสวนมวลเพื่อเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อไม่ให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเราสวดมวลได้ทั้งวันทั้งคืนทุกสถานที่ทุกเวลาแต่ควรจะไม่ให้ออกเสียงแค่นั้นเองเพราะถ้าออกเสียงแล้คนเขาไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเราบ้าหรือไม่เขารบก็ได้คําถามจากคุ ณ, ณพนพดลเจ้าค่ะ สติโดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในอริยมรรคเป็นสัมมาสติหมายถึงอย่างไรครับก็สติแบบไม่คิดพยายามหยุดความคิดให้รู้เฉยๆใจเรามีความสามารถอยู่สองอันรู้และคิดส่วนใหญ่เราจะคิดรู้ด้วยแต่รู้ตามความคิดแล้วความคิดมันเป็นความคิดที่หลงมันก็เลยพ า, พาเราหลงไปแลราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ เมื่อหยุดความคิดได้ก็จะเหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้เฉยๆคำถามจากคุณแฟงเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะข้อหนึ่งการซื้อขายเนื้อสัตว์เป็นบาปไหมและเป็นการเบียดเบียนสัตว์ไหมครับถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้ฆ่าหรือฆ่าเองก็ไม่บาปถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาขายเช่นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปซื้อหมูที่ตลาดมา แต่เป็นหมูที่ตายแล้วเนื้อหมูที่เขาขายอยู่ซื้อมาอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้าสั่งเขาว่าพรุ่งนี้จะเอาหมูตัวหนึ่งอย่งอย่างนี้บาปเอาไปสั่งเขาไว้ล่วงหน้าเขาต้องทําตามความสั่งเราแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งแล้วเขาทําไปตามตามอาชีพของเขาเขาก็ต้องทํามาหากินแบบนี้เขาก็ค่าไปขายได้ก็ดีขายไม่ได้เขาก็จะต้องกินเองหรือหรือแจกคนอื่นไปนั้นเราอย่าไปสั่งหรือทําเองก็จะไม่บาป คำถามที่สองเจ้าค่ะการซื้อขายเก่งกำไรหุ้นในบริษัทที่เป็นการฆ่าสัตว์เป็นบาปไหมครับเพราะหวังในส่วนกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ขึ้นลงอย่างเดียวโดยไม่ได้รับเงินปันผลหรือผลกำไรที่บริษัทนั้นได้จากการฆ่าสัตว์เลยคือมันก็อยู่ที่จิตสำนึกของเราว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์หรือไม่ถ้าเราไม่อยากจะมีการเกี่ยวข้องก็อย่าไป ซื้อหุนในบริษัทนั้นแต่หุ้นสมัยนี้บริษัท ต, ต่างๆมันเกี่ยวโยงกันไปหมดนะธนาคารก็กูก้ปล่อยกู้ให้เขาเอาเอาไปค่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปกินดอกธนาคารแล้วก็มีส่วนในมะัะถ้าเราคิดนี้มันก็ยาวเกินไปเอาแค่สั้นๆเอาแค่ว่าอเขาบริษัทบริษัทนี้ก็ทําอะไรหรือเปล่าเขาค่าสัตว์หรือเปล่าธนาคารค่าสัตว์หรือเปล่าไม่ค่าก็โอเคแต่ถ้าบอกอเขายัง ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทที่คาสัตมากู้วงนนี้ไปอยู่เขาได้ประโยชน์จากบริษัทนี้อยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันจบคําำถามจากคุณทีคัฒนาเจ้าค่ะ ถ้ามีเหตุที่เกิดแล้วเป็นความไม่ถูกใจไม่สบายใจพยายามเข้าไปคิดเข้าไปอยากแก้ไขอยากให้มันเรียบร้อยสวยงามดีเมื่อออกมาดีก็ไม่อยากให้ไม่ดีแต่เราก็ทำให้ได้ดั่งใจไม่ได้ทุกเรื่องแล้วก็กลับมาคิดให้ทุกสิ่งนี้เรียกว่านิวรณ์หรือเรียกว่าความอยากเจ้าคะและควรวางใจอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเจ้าคะ่ะ ก็อย่าไม่อยากเล่ทาไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคำถามจากคุณขุนเข่าเจ้าค่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งทุกครั้งที่ตั้งใจดูจิตหรือตั้งใจพุทโธจะเห็นจิตพุ่งไปคิดเรื่องอื่นทันทีและจะเกิดความไม่ชอบใจทุกครั้งมันคือเรื่องปกติใหม่เจ้าคะก็อย่าไปเพ่งจิตนลยยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปเพ่งจิต เวลาเราต้องดูเราต้องเพ่งพุทโธพุทโธไปเพื่อหยุดความคิดใจเรายังไม่มีพลังกําลังที่จะควบคุมใจของเราได้ฉั้นต้องสร้างพลังการควบคุมใจก่อนโดยการดูพุทโธเพ่งดูพุทโธไปเรื่อยๆกำหนดพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดใจของเราได้ต่อไปเวลาเราเพ่งจิตเราก็จะเฉยๆได้คําถามที่สองเจ้าค่ะอโยมเลี้ยงช้าง ด้วยความรักและมีความปรารถนาดีไม่อยากให้อดอยากทุกวันนี้ให้เขาทาได้ทำอาชีพให้เข า, อาขอประทานโทษเจ้าค่ะทำอาชีพให้คนนั่งบนหลังช้างเจ้าค่ะ<ม>ทุกวันนี้ส่งสารช้างแต่ติดตรงที่ยังมีสัญญาอยู่กับนายจ้างแบบนี้จะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะก็เป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่ไม่ชอบอคือเป็นการวางประโยชน์บนหาความสุขบนกองทุกข์ของผู้น คนอื่นเขาทุกเพื่อให้เรามีความสุขนี้ไม่ควรจะกระทาเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่สัมมาชีพดังนั้นก็ถ้าถ้าสามารถที่จะเลิกได้ก็เลิกไปถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็รอให้สัญญาหมดไปก่อนแล้วก็ปล่อยถ้าอยากจะได้บุญก็เอาช้างไปปล่อยเลย <c oughs> ไม่ต้องขายขายเดี๋ยวเขาก็คนอื่นเขาก็าไปทําอาชีพต่อเอาไปนู้นเขามีเดี๋ยวนี้ก็มีที่ไหนนะที่เขาอนุรักษ์ช้างเย่างนี้ ก็ไปปล่อยตามถาทางที่เขาอนุรักษ์ช้างให้เขาได้อยู่ตามธรรมชาติคิดถึงโฮเขาโฮเราบ้างถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดอย่างไรวันวันึงคุณต้องให้คุณขี่คุณอยู่ทั้งวันคําถามจากคุณกัญญาเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยเตือนสติเพื่อนที่กําลังจมอยู่ในความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยเจ้าค่ะก็เวลา คิดถึงเขาก็หยุดความคิดให้พุทโธพุทโธหนึ่งสติกลับมาก่อนตอนนี้ไม่มีสติยับยั้งความคิดมันก็คิดถึงคนที่เรารักเราก็จากเราไปเราก็เศร้าต้องหยุดความคิดอันนี้เวลาเกิดความคิดอันนี้ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่าความคิดนี้จะหายไปเราค่อยหยุดแล้วทุกครั้งที่มันคิดก็หยุดมันต่อไปมันก็จะไม่คิดเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็จะค่อยๆเลือนรางไปจากใจเราความจําต่างๆก็จะ ของเรื่องราวต่างๆก็จะน้อยหายไปได้แต่ช่วงนี้มันแรงเราก็ต้องใช้สติคือใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพยายามหยุดความคิดเวลามันคิดขึ้นมาคำถามจากคุณชมพู่เจ้าค่ะหากเราสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำเวลานอนแล้วฝันเห็นพระอริยสงฆ์แบบนี้เรียกว่าถูกทดสอบหรือหนูมาถูกทางแล้วเจ้าคะก็ไม่ได้ถูกทดสอบไม่ไ้มาถูกทางเลยมันก็เป็นแค่ความฝันนั่นเอง คำถามจากคุณเบนจาเจ้าค่ะได้ย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลที่ใหม่ได้สี่เดือนแล้วได้อยู่ที่บ้านพักของโรงพยาบาลฝันเห็นผีบ่อยๆเจ้าค่ะและได้ยินเสียงในความฝันว่าให้ช่วยด้วยแบบนี้โยมควรทำอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ให้รู้ว่าเป็นความฝันแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่เป็นความจริงเ่อยขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา คำถามจากคุณชวนชมเจ้าค่ะถ้าไมรอยพระพุทธบาทถึงมีแต่ในประเทศไทยกับประเทศเราเท่านั้นเจ้าคะมันเป็นรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าถามมันดูนี่เราไปว่ามันเป็นยังไงมันเป็นล้องเห็นอะไรนิดหน่อยเหมือนรอยเท้าก็ว่เป็นรอยพระพุทธบาทขึ้นมาทันทีถ้าเป็นรับถือศาสนาอื่นก็ต้องเป็นรอยของพระคริสต์มังพระธัมโมหมัดมั่ง อยู่ที่เราเชื่ออะไรเราก็จะแป ล, แป ล, แปลความชื่อของเราไปกับสิ่งที่ปรากฏการที่เราที่เราเห็นนั่นเนองพอเห็นหินหน่อยมีร่องคล้ายๆรอยเท้าหนีอยอพระพุทธบาทมาแล้วเป็นของวิเศษแล้วเป็นของที่น่าสักการะบูชาขึ้นมานะคาถามจากคุณรัชดาเจ้าค่ะถ้าการสวดมนต์ถ้าสวดแบบเร็วๆและเปิดไม้ เสียงดังมากยมรู้สึกไม่ได้สมาธิเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ไปสวดที่อื่นเลยวางใจทําไมไปสวดที่เงียบๆส่วนการเสวดมนต์จริงๆนั่งคนสวดคนเดียวดีที่สุดไม่ใช่ไปนั่งหรือก็ไปฟังคอนเสิร์ตไปไปร้องสวดกันอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องต้องสวดในที่สงบสงัดแล้วเสียงสวดนี้จะกล่อมใจเราให้สงบ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามมาเจ้าค่ะโอเคอามามีคำถามแล้วกากาพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าใจเราคือผู้คิดผู้รู้ถ้าเราหยุดคิดได้อัตโนมัติบ่อยๆนะคะแล้วพอเรารู้รู้เราก็รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วก็ อ, อ, อยู่ตรงฐานกายเนี้ยค่ะเราก็มีสติอยู่ข้างในตลอดเวลาได้ถ้าเราจะกลับมานะคะ แต่พอเราสักแต่ว่ารู้บ่อยๆเฉยๆเนี่ยค่ะเออเราสามารถไปถึงพานิพานได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ถ้าเราไม่โกรธไม่โลภไม่โกรธไม่อยากรู้เฉย ๆ, ๆเห็นอะไรก็เฉยๆค่ะ <ๆ S 2> มันจะลดทอนกิเลสเพราะเราเราะเ่อาเราพิจารณาไตรักบ่อยๆอแล้วถ้าเป็นอุเบกขาอัตโนมัติ ก็ก็สามารถที่จะรู้เฉยๆไปถึงพันิพาณได้ได้ถ้าเราไม่อยากเวลาเรารู้เ่เห็นอะไรก็ไม่อยากกับมันค่ะก็ไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคอาเชิญเข้ามา ทราบว่าวตัวเองเป็นมะเร็งแล้วแต่ว่าก็พิจารณาว่าอย่างไงก็ต้องเจอกับความตายแต่สิ่งที่กลัวตอนนี้ก็คือกระบวนการตายไม่ทราบว่าวพระอาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรบ้างเพื่อให้ผมพิจารณาไม่ให้กลัวกระบวนการตายนะครับพระเจ้าสอนภาณุว่าให้ระ้ลึกถึงลมหายใจเข้าอที่อยู่อยู่เรื่อยๆหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนั่นแหละคือกระบวนการตายมันแคอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองฉนั้นดูที่ลมหายใจไปเรื่อยๆถ้ายังหายใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ตายถ้าไม่หายใจแล้วก็แสดงว่าตาย อ, อไม่มีอะไรยากหรอกความตายความกลัวตายมันทําให้ยุ่งยากไปหมดแต่ถ้ายอมตายแล้วมันไม่ยุ่งยากมันก็มีแค่หายใจเข้าหายใจออกนั่นเองแล้วก็คิดว่าทุกคนต้องตายหมดไม่ไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียว ทุกคนที่เกิดมาก่อนเราและทุกคนที่เกิดมาหลังจากเรานี้ต้องไปได้วยกันหมดทุกคนไม่ยกเว้นถ้าเรามองเห็นภาพรวมแล้วเราก็จะไม่ค่อยทุกข์กัมันเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบทั้งหนึ่งพยายามทำใจให้สงบความกลัวมันเกิดจากความจ้าที่ใจไปคิดมากถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็จะไม่กลัวมันก็จะเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป ถามจากคุณจรัญญาเจ้าค่ะถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์แบบนี้ยมเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะยังไม่ครบต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงด้วยนะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราด้วยต้งองะกกบกระบวนการคํถาถามจากคุณโยทินเจ้าค่ะคําว่าใจจิตและวิญญาณตรงกับภาษาอังกฤษทาไหนบ้างครับก็ส่วนใหญ่เขาใช้คําว่า mind mind นี่ก็จะหมายถึงจิต สนใจก็แปลตรงตัวคือฮาร์ดก็มีฮาร์ดก็คือใจแต่ฮาร์ดของเขาอาจจะเป็นหัวใจที่เต้นๆนอยู่ในร่างกายแต่ฮาร์ดที่ที่เป็นจิตนี่มันคนละฮาร์ดมันคนละคนละฮาร์กันแต่เวลาเขาพูดถึงอารมณ์ก็จะพูดคาใจคำว่าฮาร์ด my heart is broken น่ยฉะนั้นอกหัก ใจสลายใจทุกเขาว่าใช้ฮาร์ d แต่ถ้าเขาใช้เรื่องของความเพียรมาให้ so stressful ใจเราเครียดมากก็จะใช้คำว่ามาย d แ, แต่วิญญาณเขาก็เรียกว่า spirit spirit ผีหรือ ghost หมดแล <c oughs> ้วใช่ไหม ย, ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคหมดเวลาแล้วเอาท่านี้ก่อนนะ ขอให้ท่านโยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด